คำถามภาษาอังกฤ ษ, ษมีชาวต่างประเทศที่เขาติดตามเขาก็จะส่งข้อคําำถามเข้ามาแล้วก็เก็บรวบรวมไว้แล้วพอมีคำถามทัก20ิกว่าข้อก็มาถามถ่ายทอดสดไปแล้วก็เก็บไว้ใน YouTube คนที่เขาอยากจะรอคำตอบเขาก็เดี๋ยวเขาค็ไปเปิดดูที่ YouTube ได้ มีมี u t u b e ภาษาอังกฤษชื่อดัม m าอินอังกฤษใช่ n ช้โน้ตค้นหาว่า Dhamma in e n g l ก s <In> h <English. S 1> uh, มันก็จะ mm hmm. ก็จะมีเทปที่เป็นภาษาอังกฤษใส่ไว้ใน YouTube ช่องนั้น mm hmm. ตอนนี้ภาษาไทยก่อนมีอะไรไหม mm hmm. ใคร mm hmm. มีอะไรอยากจะถามไหม วันธรรมดามีเวลาเยอะถามได้ใครอยากจะถามอะไรยังไม่มีเลยอันนี้ไม่มีอะไร <c oughs> มีอะไรเล่าก็ได้ถ้าไม่มีอะไรถามอยากจะเล่าอะไรให้ฟังก็ได้จังทุกครั้งเลยนะาใชอ อะไรนะที่เป็นอนนิจจังทุกขังอนัตตาคือว่าบางทก็จำได้างทีเราจำไม่ได้อือย่างยกขีายนะพี่พี่ชินก็ต้องรู้ตัวนะว่าเกิดแก่เจ็บตายนะฮะองู่เราก็อยู่มานานแล้วน ะ, ะแต่ว่าใจจิตใจเราเนี่ยังไม่รู้มันอยู่นานก็ไปทําสิ่งที่ตัวเองเคยทําำ อมมีหลักฐานอย่างนี้ไปทําสิ่งที่เราคิดเราเก่งที่สุดอืทําได้นะแต่ว่าแต่ว่าร่างกายเจ้ารถยนต์คันนี้ยมันไม่ไหวล้วเอนอม่เหมือนมันไม่เก่งมือนที่เราคิดนะไม่ใช่เราคิดแต่ใจเราบอกว่าเหมือนห้าขวบสิบขวบทีนเอชไรนี่อยู่ตลอดนะออแล้ว ถึงได้ตอนนี้เรามั่งทํากันบ้านนะคะถ้านว่านี่ยังเบาๆนะแค่มือเนี่ยไอ้ท่านอกทั้งแข้งทั้งขาเดินไม่ได้ได้ทําด้ทำไงก็นั่งเฉยๆก็มันก็นั่งเฉยๆง้นก็บอกแล้วว่าที่บอกให้หันั่งเฉยๆก็เพื่อต่อไปเวลาใช้ร่างกายไม่ได้ก็จะได้ไม่เดือดร้อนมีขนาดข้างเดียวมือข้างเดียวมันเดือดร้อนมากนะะ่ออล้างหน้าก็ล้าแบบ แปลงฟันก็แปลงไม่ได้ต้องมาใช้อันเนี้ต้องใช้เวลาสองเท่าอ่านะตัวอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอืไม่มีอะไรเหมือนเดิมเสมอไปฉะนั้นอย่าไปพึ่งสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมสิ่งที่มันมีการเสื่อมมีการหมดไปเช่นร่างกายนี้เราพึ่งมันมาอยู่ตลอด เราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านล้านแะลเอราร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปเอาร่างกายใหม่แล้วก็มาทำอย่างที่เราเคยทำเหมือนเดิมเอาร่างกายมาดูมาฟังมากินมาเดิน ม, มาเที่ยวมาเล่นกันพอใช้ร่างกายไม่ได้ก็เดดร้อนกันวุ่นวายกัน ร่ลลางกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทำมาหากินกันเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้วแล้วก็ตายไปก็ไม่เข็ดไม่เบือ่อพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่เพราะยังอยากใช้ร่างกายอยู่ อ ย, อยากมีตาไว้สำหรับดูมีหูไว้สำหรับฟังยังไงถ้าตาบอดก็เดือดร้อนตนะาหูหนวกก็เดือดร้อนแนคะไม่มีความสุขอ่ะถ้ามีแต่ความทุกข์ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก็จะได้ร่างกายใหม่ มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มาหยุดต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือความอยากต่งตางๆ ท, ที่เราอยากกันเนี่ยอยากใน้รูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากลิมลสนมกลิ่นมห็นไหมน้ำหอมขวดนิดเดียวราคาเป็นพันเป็นหมื่นโดน ม, มันหอม ไม่ชอบกิ่นตัวกิ่นตัวมันเหม็นเลยเอาน้ำหอมมาปะมาโปะความเหม็นของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเรามาอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าอยู่แบบไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายก็คือทำใจให้สงบนั่งสมาธิ เวลานั่งสมาธิใจสงบแล้วมันจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้กินได้ดืม่มแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้ากินก็กินเพื่อให้ร่างกายอยู่ถ้าไม่มีกินก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเพราะยังไงมันก็ต้องตายเวลาที่มัน กล้จะตายมันก็กินไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องอดตายกันทั้นั้นงั้นถ้าเราแต่ถ้าเราไม่ต้องการไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้อาศัยร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์เราจะเฉยเฉยเราจะอยู่กับความสงบเราจะสุขกับความสงบเราเราสามารถทําใจให้สงบได้ทุกเวลาเวลาไม่แก่ก็สงบได้เวลาแก่ก็สงบได้ เวลาไม่เจ็บก็สงบได้เวลาเจ็บก็สงบได้เวลาตายก็สงบได้ความสงบนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายมันขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับคำบริรกรรมพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ไปคิดอะไรใจเราก็จะสงบแล้วจะเย็นจะสบายมีความสุข ร่างกายจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของร่างกายใจก็เป็นใจคนละคนกันเราชีวิตของเรานี่มีสองคนเรามีมีพี่กับมีน้องมีนายกับมีบ่าวร่างกายนี้เป็นบ่าวใจนี้เป็นนายความสุขของร่างกายกับความสุขของใจนี่เป็นคนละอย่างกัน ความสุขของร่างกายก็ต้องมีอาหารรับประทานมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่มียารักษาโรคแล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพก็จะมีความสุขทางร่างกายกันแต่ความสุขทางใจนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีปัจจัยสีไม่ต้องมีร่างกาย ถ้ามีความสงบแล้วใจมีความสุขได้ตลอดเวลางั้นเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันไม่สามารถทาได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาร่างกายตายไปหรือเวลาที่เราไม่มีความสามารถที่จะ ไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆได้เช่นถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไปปีใหม่นี้ก็ไปเที่ยวกันไม่ได้อยู่บ้านก็เหงาอย่างนี้เป็นต้นการหาการพึ่งร่างกายก็จะต้องพาเราไปสู่ความทุกข์ถ้าเราพึ่งใจพึ่งสติ พึ่งธรรมะให้ใจเราสงบด้วยธรรมะด้วยสติเราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรร่างกายเป็นอะไรเราก็ยังมีความสุขได้ใจของเราสุขได้สองทางสุขจากทางร่างกายกับสุขจากทางธรรมะถ้าเราอาศัยร่างกายเป็นทางหาความสุขเดี๋ยวพอร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ไม่สามารถหาความสุขได้ ถ้าเราหาถ้าเราหาธรรมะเป็นทางหาความสุขเนี่ยเราก็จะหาได้เรื่อยๆเพราะธรรมะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดธรรมะนี่ไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะนี่เป็นอาการวิโกะไม่มีวันเสือ่อมถ้าเรามีสติแล้วมันก็จะมีไปเรื่อยๆถ้ามีปัญญาแล้วมันก็จะมีไปเรื่อยๆ ถ้ามีสติมีปัญญามันก็สามารถที่จะทําใจให้มีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะมันจะทําใจให้สงบได้ตลอดเวลาเรามาหาสติมาหาปัญญากันดีกว่าหาธรรมถ้ามีสติก็จะมีสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ไม่ให้ความคิดคิดขึ้นมา ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าเรานั่งนิ่งนั่งเฉยเฉยนั่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบสงบแล้วก็มีความสุขเหมือนกับได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปจองตัวเครื่องบินไม่ต้องไปจองโรงแรมไม่ต้องไปจองอะไรต่างๆไม่ต้องไปทำหนังสือเดินทางไม่ต้องไปขอวีซ่า ไม่ต้องไปยืนเข้าแถวผ่าน เ, าเขาตรวจคนเข้าเมือง <c oughs> ไม่ต้องไปยืนให้เขาเช็คกระเป๋าเช็คตัวเบเอร์ป <c oughs> ุ่นวายไปหมดกว่าจะได้ความสุขจากการไปเที่ยวกันสักทีนั่งสมาธิสบายห้านาทีมันก็สงบแล้วี่แหละความสุขที่แต่ว่าไม่ต้องเสียเงิน ความสุขที่สบายไม่เอากันชอบเอาความสุขที่วุ่นวายเนี่ยถ้าจะไปเดินทางต่างประเทศทีเป็นไงเนี่ยต้องดูหนังสือเดินทางก่อนลนะ้ว่ามีอายุเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่าหเดือนก็ต้องไปทำใหม่นะต้ไปแล้วดูวีซ่าแล้วก็ดูตัว๋วลวเวียนอีกดูที่พากก วเวลาไปสนามบินก็ต้องไปยืยนเข้าแถวรอให้เขาตรวจหนังสือเดินทางให้เขาตรวจกระเป๋าตรวจระเบิดแล้วบางทีเครื่องมันก็เลื่อนเวลาเครื่องเสียราน้องรอไปขึ้นแ้้งก็ไม่รู้ว่ามันจะลงยังไ ง, อ, งอีก ถ้ากินงนั้นจะไม่อยากขึ้นลรบินนะเราเห็นว่ามันจะตกใครอยากจะขึ้นไหมไม่รู้คิดว่ามันจะตกเสียจะได้ไม่ต้องไปขึ้นมันจะได้ไม่ต้องไปไหนไงอยู่บ้านเป่นต้องเสียเงินเสียทองในวิธีที่จะสู้กิเลสก็สู้แบบนี้จะไปไหนมันจะไปไหนคิดว่าไปแล้วตายจะไปไหม ไปแล้วจะตายไม่ไปหรออยู่บ้านที่ไปแต่มันไม่คิดว่าจะไปตายกันไม่คิดจะไปเที่ยวกันก็ทำกันมาทุกคนกค่ะจนเบื่อแล้ว ม, มัเบือ่อแล้วไมกลับมานีน่มันไม่เบื่อหรอกมันก็กลับมาเกิด อ, อยู่ยออเรื่อยๆ ม, มันเหนื่อยเพามันแกแล้วเดี๋ยว <c oughs> พอเดี๋ยวพ่อมันสาวขึ้นมาหนุ่มขึ้นมาใหม่มันก็อยากขึ้นมาใหไม่คุยกับสาวไม่ใช่ไม่เหนย ทางบ้านมีเข้ามาไหมีคำถามเข้ามาหร <c oughs> ือเปล่อถามเลยก็ได้อันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่สองร้อยกว่าสามร้อยสองร้ยเจ็สิเอ็ดค่ะสองร้อยเจ็สิบเ็ูทูบ23สามค่ะยีสาม มีแฟนประจำม้าปะยังไม่มาค่ะยังไม่ทักมาเลยค่ะอตัวนี้ไม่มาจารันยังไม่มาเอาถามดูคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราพูดความจริงกับลูกน้องเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวแต่เขากลับโพสเฟซบุ๊กถึงสิ่งที่เราพูดแล้วยังสาบแช่งให้เจ้ากรรมในเวนจองเวนจองกรรมในเรววันอีก ทำให้เรารู้ว่าเขารับความจริงไม่ได้ค่ะถ้าต้องร่วมงานกับลูกน้องแบบนี้ควรทําอย่างไรดีคะทำยังไงล่ะก็ถ้าต้องพูดความจริงก็พูดไปแล้วก็เขาอยากจะด่าเรารับหลังก็ปล่อยเขาด่าไปเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่พูดแล้วทำให้งานเสียหายมันก็ไม่ได้มันก็มีสองทางเลือก ก็ให้เขาออกไปหรือว่าเราก็ต้องพูดความจริงถ้าทำงานแล้วไม่พูดความจริงมันเกิดความเสียหายขึ้นมามันก็ไม่ได้แต่จะไปหวังให้คนเขาชอบเรารัากเราเพราะเราพูดความจริงนี่มันเป็นไ ป, นปนไม่ได้เพราะบางทีมันเขาไม่ชอบความจริงเช่นไปบอกเขาว่าเขาทำผิดอย่างนี้เขาไม่ชอบเขาไม่ยอมรับผิดกัน นักพาวันแฟนหนูตายหนูยังทำใจไม่ได้เลยค่ะหนูควรทำไงดีคะก็ฝึกนั่งสมาธิไปอ่านบริกรรมพุทโธพุทโธไปพยายามอย่าไปคิดถึงแฟนถ้าคิดแล้วมันก็จะเศร้าใจถ้าอยู <Cola> ่กับพุทโธพุทโธไปมันก็จะลืมแฟนได้พยายามขยันพุทโธไปเถิดไม่นานดีกว่าปล่อยให้มันทุกข์ใจไป แต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องหายและเพราะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลืมไปเองเองแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยถ้าเราใช้พุโทโธมันก็จะเร็วหน่อยถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางทีไม่กี่วันมันก็หายหรือว่าเวลาเกิดจะคิดถึงแฟนท่ไหรก็ใช้พุโทโธหยุดมันเวลาจะคิดถึงแฟนก็พุโทโธพุโทโธไปทำอย่างนี้ไปทุกครั้งต่อไปมันก็หยุดคิดถึงแฟนเองแล้วมันก็จะ ไา้หา้จากความทุกข์คำถามจากคุณพวงทิพย์ลูกของดิฉันทำไมมีเมียแล้วเขาลืมเมียขอลืมแม่ได้แต่เขาเคยพูดให้ฟังนะคะว่าพอเขามีเมียเขาลืมคนที่เคยช่วยเหลือแม้กระทั่งพี่สาวที่เคยช่วยเหลือเขาทุกอย่างเขายัางในละคุณเลยค่ะอยากถามว่าจะทำยังไงกับเขาดีคะ ก็ปล่อยเขาไปสิถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมคำ ถ, ถามจากคุณเพิ่มศักการดูความคิดเป็นวิปั ส, สนาหรือเปล่าครับการดูความคิดมันก็อยู่ที่ว่าดูแล้วหยุดความคิดได้หรือเปล่าดูแล้วทำให้อถ้ามันคิดแล้วมันทำให้เราทุกข์เราหยุดมันได้หรือเปล่า ถ้าหยุดมันได้มันก็เป็นวิปัสสนาได้เช่นคิดอยากจะมีแฟนแล้วเราก็หยุดมันว่าไม่อย่าไม่มีเลยมีแล้วทุกข์อนี้อยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเราหยุดมันได้เปลี่ยนใจไม่ต้องมีแฟนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาคือการดูความคิดนี่ให้ดูว่าความคิดที่เราคิดอยู่นี้เป็นความอยากหรือเปล่าเป็นความอยากที่จะทําให้เกิด ความทุกข์ขึ้นมาหรือเปล่าความจริงความอยากมันก็มีสองแบบความอยากที่จะทําให้เกิดความสุขก็มีเช่นอยากจะทําบุญอยากจะนั่งสมาธิอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปบวชเนี่ยถ้าความคิดเหล่านี้มันก็เป็นความคิดที่ดีเป็นกุศลอันนี้เราก็พอคิดปั๊บก็รีบทําตามที่มันคิดเลยนะ อยากจะทำบุญเดี๋ยวไปเลยไปที่ไหนที่เขามีการบริจาคข้าวของเงินทองล้วก็ไปบริจาคเลยแต่ถ้าคิดว่าอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าคิดแบบนี้มันจะทำให้เราทุกข์เพราะถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็จะทุกข์พอเราเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หมดได้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นอรไรสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หมดไปได้เช่นเป็น กำนันเป็นผู้ใหญ่บ้างหรือเป็นอะไรแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่หมดวาระอะไรอันถ้าคิดไปในทางนี้ก็หยุดมันดีกว่าบอกอย่าอย่าอย่าไปทําดีกว่าทําแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์อยากได้เงินไปหาเงินมาพอได้เงินมาเดี๋ยวเงินหมดเนี่ยก็ทุกข์อีกก็ต้องหายอีกอันให้ ถ้ามันคิดไปในทางความอยากที่ไม่ดีก็หยุดมันให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ถ้าคิดไปในทางที่ดีก็เห็นว่ามันเป็นสุขก็ทําไปเลยเช่นการทําบุญนี่ทำแล้วจะมีความสุขการรักษาศีลนี่ทําแล้วจะมีความสุขการนั่งสมาธิทำแล้วจะมีความสุขการฟังเทศน์ฟังธรรมทาให้เกิดปัญญาเพื่อตัดกิเลสได้ก็จะทําให้เรามีความสุข ถ้า้มันคิดอย่างนี้ก็ทำไปเลยความคิดของเรามันจะไปสองทางส่วนใหญ่มันจะไปทางกิเลสทางทางที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราอยากได้เนื่ออยากได้ น, น, ดนี่พอไม่ได้ก็ทุกข์เสียใจพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากอยากใหม่อยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าไม่พอมันก็ไม่มีความสุข ถ้าอยากจะมีความสุขมันต้องพอการที่จะทำให้ใจเราพอก็คือต้องทาบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอันนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขมีความพออันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาก็ได้ คำถามจากคุณทัศนีลูกสาวกำลังเรียนหมอต้องผ่ากบกเป็นๆ เ, เพื่อดูการเต้นของกล้ามเนื้อจะบาปไหมคะและถ้าไม่ได้ผ่าแต่ยืนดูเฉยๆจะบาปด้วยไหมคะตาาก็ผ่าเราใจก็ผ่าหราบาปใช่ไหมเวลาผ่าคนอื่นไม่คิดว่าไม่เป็นไรคิดว่าไม่เป็นไรแล้วถ้าเขามาผ่าเราบ้างยังคิดว่าไม่เป็นไรหรือเปล่า คนเรามันชอบเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเวลาทำร้ายคนอื่นไม่เป็นไรแต่เวลาคนอื่นทำร้ายเราโหเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาเ่นวายขึ้นมาคิดถึงหัวหั ว, หว อ, อกเขาหัว อ, อกเราสิการไปทำร้ายผู้อื่นนี่มันเป็นบาปเพราะมันจะทำให้เกิดการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมขึ้นมาเราทำเขาแล้วเดี๋ยวเขาเ ข, เ ข, เขาก็จะทำเรา พากบขึงพืชแล้วน ะ, ะเราก็เคยพา<ล>ตอนที่เรียนตอนที่เรียนชีวะมันก็ต้องพากบดูดูดับตาตไส้พุงมันคำถามจากคุณขมการนั่งสมาธิแท้จริงคือการนั่งฝึกสติไม่ใช่ฝึกสมาธิถ้าพูดอย่างนี้ผิดหรือถูกครับ ก็อย่าพูดยังไงก็ได้เม่อไหร่มันไม่สําคัญอย่าพูดยังไงสําคัญว่ามันสงบไหมสงบนั่นแหะนะมันจะฝึกสมาธิฝึกสติก็ว่าไปขอให้มันสงบก็แล้วกันคือสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าจะนั่งจะจะละต้องการสมาธิถ้าไม่มีสติก็ไม่มีวันได้ถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องหาสติมาก่อน สร้างสติขึ้นมาก่อนเหมือนกับผลไม้เนี่ยอยากจะได้ผลไม้ก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อ น, นออพอปลูกปลูกต้นไม้แล้วเดี๋ยวมันก็ออกดอกออกผลเองสติก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติจิตนั่งไปมันก็คิดเรื่องนู่นคิดเรื่องนี้หรือปล่อยให้จิตมันหลอกเราสแสดงอะไรต่างๆโผล่ขึ้นมาเ ห, นหนนเห็นนู่นเห็นนี่อะไรไปหมดอันนี้ก็ไม่มีวันสงบ สมาธินี้ต้องนิ่งจิตไม่คิดปรุงแต่งเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจบางทีร่างกายหายไปเลยเหลือแต่ผู้รู้สักจะรู้อยู่ตามลำพังมีความสุขมากอันนี้เรียกว่าสมาธิจะไปตรงจุดนั้นได้ต้องมีสติลากไปเหมือนเราจะมาที่นี่ได้ก็ต้องมีรถยนต์พาเรามามีพาณนะพามา ถ้าไม่มีพานะก็มาไม่ถึงที่นี่หรือต้องเดินมาการเดินก็เป็นเหตุเหมือนกันที่จะพาให้เรามาถึงตรงนี้เพราะนั้นสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลคำถามจากคุณนนพันธ์ความเพียรเป็นอย่างไร จ, งจึงเรียกว่าอยู่ในทางสายกลางคะก็เพียรสร้างสติขึ้นมา ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเนี่ยเรากำลังทิเพียงอยู่ในทางสายกลางนะแล้วพอเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปให้จิตสงบพอเราสงบแล้วเรามีความสุขก็ปล่อยมันสงบไปนานๆอย่าเพิ่งทำอะไรตอนที่จิตสงบนี้ไม่ต้องไปทำอะไร ให้มันสงบนานๆชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรไปพอมันออกจากความสงบมาบางทีเราก็ต้องลุกขึ้นมาแนละ้วเพรามันเมื่อยเราก็ลุกมาเดินจงกรมต่อแล้วเราจะพุโทโธต่อไปก็ได้หรือถ้าเราอยากจะพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ได้คิดถึงร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ไม่สวยงามไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่เพราะมีอาการต่างๆอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังมีเอ็นมีกระดูกมีมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีผังผืดมีไตมีปอดมีไส้ใหญ่ไส้น้อย มีอาหารใหม่อาหารเก่ามีสมองศีรษะแล้วมีน้ำต่างๆนี่คือส่วนประกอบของร่างกายดูมันสิพยายามดูมันให้จำได้อย่าให้มันเร็วแล้วเวลาดูร่างกายของเราหรือร่างกายของใครจะได้ไม่หลงไปคิดว่ามันเป็นของสวยงามหรือเป็นตัวเราในร่างกายนี้มันไ ม, ม่ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเราของเราหรอก ผมนี่เป็นตัวเราของเราเรขนเล็บฟันเนี่ยมันก็เป็นข น, นก็เป็นเล็เป็นฟันไปเราเราเป็นเหมือนคนขับร่างกายนี้เท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนกับรถยนต์เขาก็มีชิ้นส่วนเขามีล้อเขามีกระจกผูก้มีเครื่องยนต์แต่ไม่ของเหล่า น, นี้มันไม่ได้เป็นคนขับใช่ไหมคนขับก็เป็นคนขับคนละส่วนกัน ใจเราก็เป็นคนขับร่างกายก็เป็นคนละส่วนกันพยายามพิจารณาให้เห็นว่าใจกับร่างกายนี้มันเป็นคนละคนกันร่างกายนี้แก่เจ็บตายแต่ใจนี้ไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายเพราะร่างกายไม่มีรูปร่างไม่ได้ทําจากอะไรมันก็เลยไม่มันก็เลยไม่มีวันเสื่อมใจมันเป็นตัวเดียวเป็นตัวที่มัน ไม่ต้องมีอะไรมาทำให้มันเป็นมันไม่เป็นสังขารมันมันเป็นธาตุเป็นธาตุเรียกธาตรู้อันธาตรู้นี่ไม่มีวันแยกไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสลายไม่มีวันแตกมันก็ให้รู้แค่นี้แล้วเราจะได้ไม่เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะได้ไม่ต้องไปตกใจไปกลัวมันเราเป็นผู้รู้ก็รู้ไปเฉยๆเท่นั้นเอง รือว่าตอนนี้ร่างกายกำลังเจ็บหรือว่าร่างกายกำลังจะตายก็รู้ไปเฉยๆถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะทำให้มันรู้เฉยๆได้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาความหลงมันก็จะหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเรากำลังจะตายเราก็กลัวกันตื่นเต้นตกใจกันขึ้นมาท่านนั้นเองที่ที่ที่ให้สอนใจ เพื่อให้ปล่อยวางร่างกายเพื่อไม่ให้ทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันก็คือให้รู้เฉยๆดูมันไปเหมือนหมอดูคนไข้อะรร่างกายนี่เป็นเหมือนคนไข้ใจนี่เป็นเหมือนหมอหมอนี่เป็นคนเลี้ยงดูคนไข้ใช่ไหมเวลาคนไข่หิวก็หาอาหารให้คนไข้กินเวลาคนไข้ต้องกินยาก็หายาให้คนไข้กิน กินแล้วมันก็ดูแลรักษากันไปถ้ารักษาไม่ได้มันตายก็ปล่อยมันตายไปคนเราส่วนใหญ่ที่ไม่มีสติปัญญามันก็เลยทำให้เรากลัวกันทุกันเวลาแก่เจ็บตายนี่ก็วุ่นวายกันไปหมดแล้วไปหยุดมันได้เปล่ามันก็แก่เจ็บตายแต่คนที่มีปัญญาเขาก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปเฉยๆเขาไม่วุ่นวายไปกับมัน เทารู้เฉยๆรู้เหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิอย่างนั้นอนั่งสมาธิเราก็เฉยๆนะแล้วถ้าเรามีถ้ามีกำลังสมาธิมากๆเราก็จะเฉยๆกับทุกอย่างได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเฉยได้ป่าวเราก็ไปเข้าห้องสอบดูไปนั่งแถวไหนที่มีงูมีอะไรแล้วนั่งดูเสจะเฉยได้ไหมเวลามีอะไรเลื้อยคานเข้ามา ถ้ามันเข้ามาเราเฉยยดูมันไปอย่างมากก็ปองวาอย่างมากก็แค่ตายถ้าปองได้มันก็มันก็เฉยๆได้อย่างมากก็มันก็ไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปคิดอย่างนี้เท่านี้มันก็สบายนี่คือเรื่องของปัญญาไม่รู้เมื่อกี้ถามเรื่องอะไรไม่รู้ ความเพียงความเพียนเนี่ยเพียนสายกลางก็เพียนแบบนี้แหะเพียนเพื่อให้จิตสงบเพียนเพื่อให้จิตปล่อยวางจิตจะปล่อยวางได้ก็ต้องรู้ความจริงว่าของทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดเวลาเขาจากเราไปจะทุกข์มากถ้าไม่ยึดไม่ติดจะไม่ทุกข์คำถามจากคุณพนม หากเรามองเห็นเส้นทางแห่งทางพ้นทุกข์แล้วแต่เรายังอยู่ในครอบครัวมิฉาทิฏฐิอยู่เราควรปรับจิตปรับใจเช่นไรดีครับเกิดทางใครทางมันเลยเขาชอบจะดูหนังฟังเพลงก็เรื่องของเขาเราชอบนั่งสมาธิก็เรื่องของเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํากันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวไม่ต้องมาบังคับให้ทาเหมือนกันใช่ไหม เราอยากจะทําอะไรก็ปล่อยว่าทําไปเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําของเราไปต่างคนต่างอยู่กันไปเหมือนกินข้าวบางคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าปล่อยให้กินก๋วยเตี๋ยวเวลาไปที่ร้านบางคนไปกินเหมือนกันหรอืเอเปล่าก็ให้เลือกสั่งอะไรเนี่ยคนนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็กินไปคนนี้อยากจะกินข้าวผัดก็กินไปก็เหมือนมีปัญหาเลยพนเรามันชอบยุ่งกันเองอะ เขาเป็นอย่างนั้นก็อยากจะไปเปลี่ยนเขาอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเพราะเขาไม่เป็นก็วุ่นวายกันใช่ไหมทำไมต้องไปยุ่งกันด้วยต่างคนต่างอยู่ถ้าเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกแล้วก็สอนไปบอกไปเช่นลูกเราเนี่ยเราก็ต้องสอนมันบอกมันว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะทำอย่างนี้ดีนะสอนมันแล้วมันจะทำไม่ทำก็เรื่องของมันแล้หล่ะถ้าจะไปบังคับให้มันทามันไม่ทาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็โกรธกัน เดี๋ยแทนที่จะรักกันกับโกรธเกลียดกันแทนที่จะมีความกตัญญูกับเนรุคุณเพราะเรื่องเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆเนี่ยใช่ไห ม, ไหมเราไปจู้จี้จุกจิกเพราะรักมันมากเกินไปรักมันแบบไม่มีเหตุมีผลมันต้องรักแบบมีเหตุมีผลใช้เหตุใช้ผลอยากจะให้เขาเป็นคนดีก็สอนเขาเสิวิธีคนเป็นคนดีเป็นยังไงก็ทําได้เท่านี้หล่ะ ส่วนเขาจะดีไม่ดีถ้าเขาไม่ชอบดีจะไปบังคับก็ได้ไห ก, ก็เรื่องของเขาว่าฐานนั้นก็จบเราทําหน้าที่ของเราแล้วเดี๋ยวก็ตายหยกกันแล้วใช่ไหมจะไปอยู่แบบเกลียดกันโกรกกันทำไมอยู่กันแบบรักกันดีกว่าเขาก็ยังเป็นลูกเราอยูอ่เราก็ยังเป็นแม่เขาอยู่ก็รักกันแบบอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะไม่ดีก็เรื่องของเขาเราก็รักเขาเขาก็เป็นลูกเราเหมือนเดิมใช่ไหม เขาจะดีเขาจะชั่วเขาก็เป็นลูกเราเราจะดีเราจะชั่อเราก็เป็นแม่เขาเราต้องอย่าเอาของของมาปนกันต้องแยกกันเรื่องความเป็นแม่เป็นลูกก็ต้องเป็นแม่เป็นลูกกันไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องความเกลียดกันโกรธกันก็เป็นอีกเรื่องเราเราไม่ต้องมาโกรธกันเกลียดกันถ้าเรามีเหตุมีผล ที่เรามาโกรธกันเกลียดกันก็เพราะเราอยากให้เขาทาอย่างนี้พอก็ไม่ทําอยากให้ก็เป็นอย่างนี้พอก็ไม่เป็นก็โกรธเขาเกลียดเขาพอเราโกรธเขาเกลียดเขาเขาเกลียดเราโกรธ เ, เ, เราเนมีมันก็เลยแทนที่จะรักกันมันไม่รักกันทั้งทั้งที่มีความปรารถนาดีต่อกันอยากจะให้มีความสุขกันแต่วิธีการมีความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็มีความสุขแบบ กระดดโดดเราเต้นอีกคนนึงมีความสุขจากการนั่งเฉยๆมันก็จะมาบังคับกันได้อย่างไรก็ต่างคนก็ต่างหาความสุขของกันไปกันส่วนผลที่จะตามมาคือความทุกนี้ถ้าตามมามันก็เป็นเรื่องของเขาเราบอกเขาแล้วว่าถ้าไปทางนี้เดี๋ยวต้องต้องมีความทุกตามมาถ้ามาทางนี้จะไม่มีความทุกตามมาทางของพระเจ้านี่ เป็นทางสู่การดับทุกข์ทางของพวกเรานี้เป็นทางสู่การไปหาความทุกข์กันก็พูดได้เท่า น, นี้แหละแต่ไม่นจาเป็นจะต้องมาเกลียดกันแล่ก็ยังเขาไม่เชื่อฟังเราก็าอยากจะทาตามเรื่องของเขาก็ปล่อยเขาทาไปเขาก็ยังเป็นลูกเราอยู่เราก็ยังเป็นแม่เขาอยู่เป็นพ่อเขาอยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่โกรธเกลียดเราถ้าเราไม่ไปเคี่ยวเข็นบังคับล้วไปด่าไปว่าเขาใช่ไหม เขาก็เดี๋ยวเขาก็สํานึกได้เองว่าอทําอย่างนี้ไม่ถูกเวลาบางทีมันต้องผิดก่อนถึงจะรู้ว่าถูกเป็นยังไงคนเราต้องทุกก่อนถึงจะรู้ว่าไม่ใช่ทางก็พวกเราเราทำไมมาเข้าไว้กันตอนแก่นตอนหนุ่มตอนสาวเห็นมาเข้ากันนะเห็นไหตอนหนุ่มตอนสาวมันก็หลงกันทั้งนั้นอ่ะออนี้พอรู้อกขักเข้ามันไปอะไรเข้าด้วยกันก็ รู้ว่านี่มันทางสู่ความทุกข์เดี๋ยวมันก็มาทางนี้เองแหละไม่ช้าก็เร็วแต่เรามีหน้าที่สอนก็ต้องสอนถ้าไม่สอนเดี๋ยวก็จะโดนด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเองสั่งสอนเสร็จแล้วก็จบเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็จะทําไม่ทําแล้วก็ไปบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราฉลาดแล้วอาจจะหาอุบายหลอกล่อเขาให้ไปทําความดีกันเรา ชวนเข้ามาวัดชวนเข้ามาอยู่ปฏิบัติธรรมฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมตาเขาบางทีเขาไม่อยากจะมาแต่เขามาเพราะเราไม่มีเพื่อนชวนเข้ามาเป็นเพื่อนเขาอาจจะมาเพื่อเราก็ได้แล้วพอมาก็ได้เห็นกิจกรรมที่เราทําก็อาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อล้เดี๋ยวเขาก็จะมาเองต่อไปเพราะฉะเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนนี่มันเป็นเรื่องที่เราไป ห้ามกันไม่ได้ไปบังคับกันไม่ได้เขาถึงมีคำพูดไว้ว่าให้สงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนส่วนส่วนไหนที่ไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันก็อย่ามาพูดกันนะเดี๋ยวตีกันเอามาพูดเรื่องที่เหมือนกันเชอบอะไรที่เหมือนกันก็มาคุยเรื่องนั้นดีกว่าชวนกันไปทำเรื่องนั้นเขาชาบกินก๋วยเตี๋ยวเราก็ชอบกินก๋วยวเตี๋ยวพอชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปเลย อันนั้นเขาชอบกินข้าวผัดเราวชวนไปกินเวียเตี๋ยวเขาก็ไม่ไ ป, ไปก็อย่าชวนกันต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ชวนไปทําในสิ่งที่ชอบกันที่เหมือนกันส่วนที่ไม่เหมือนกันก็อย่าไปชวนก็จะอยู่ด้วยกันไดน้ไม่มีปัญหาอะไรคําถามจากคุณพิมพร เวลาที่เราทำบุญใส่บาตรตอนเราใส่บาตรแต่เราลืมจบถามว่าเราจะได้รับบุญที่ทำไหมคะเออบุญนี้ไม่ต้องจบละบุญมันเกิดจากการเสียสละของที่เราทำไปไม่ต้องคิดอะไรละยกไปให้คนนั้นก็จบแล้วก็ได้บุญละเพราะว่าเราตัดใจเราไม่หวงกับของชิ้นนี้ละของชิ้นนี้เรายกให้เป็นของคนอื่นไปให้คนอื่นเขาได้รับความสุขจากของอันนี้ เราก็ได้บุญแล้วไม่ต้องมานั่งจบขอนู่นขอนี่อะไรไมันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันที่นั่งจ ก, ก็ถ้าจะนั่งจกแบบวิธีที่ถูกก็คือว่าให้ขอได้ทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันไหน ม, หมีวันไหนมีเงินทองมีข้าวของเหลือก็ขอให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปขอผลผลไม่เกิดขอเหตุดีกว่าถ้ามีเหตุแล้วผลมันเกิดเองผลมันเกิดตามมาเอง อยากใสขอทำบุญใส่บาทแล้วให้ไปถึงนิพพานก็ไม่ได้อยู่ดีพราะเหมือนซื้อตั๋วไปศีราชาแล้วบอกขอให้ไปถึงกรุงเทพมันไปไม่ถึงหรอกถ้าอยากจะไปถึงกรุงเทพก็ต้องตีตั๋วที่ไปไปถึงกรุงเทพอยากจะไปนิพพานนอกจากทำบุญใส่บาตแล้วก็ต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องมาบวชกันมาปฏิบัติธรรมกันถือศีลแปลนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญา อันนี้ถึงจะไปนิพพานได้ไม่ใช่ใส่ถวายสังฆทานหรื อ, อใส่บาสนี่แล้วจะขอให้ไปถึงนิพพานขอไปอยังไงก็ไม่ถึงเพราะตีตั๋วไม่ถึงตีตั๋วแค่สวรรค์ทําบุญใส่บาสนี่มันก็ไปแค่สวรรค์เข้าใจไหมทำบุญใส่บาสไม่ไม่ทำบาสนี่ก็เป็นตั๋วที่จะไปให้เราไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าอยากจะไปชั้นพรม ก, ก็ต้องนั่งสมาธิถ้าอยากจะไปชั้น อ, อริยเจ้าชั้นนิพพานนี้ก็ต้องมีปัญญาต้องเห็นทุกเกิดจากความอยากของเร า, เาต้องเห็นว่าของต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์อยากไปอยากเห็นว่าเป็นทุกข์มันก็จะไม่อยากไม่อยากมันก็ไปนิพพานได้งั้นจะขออะไร เวลาทำบุญไม่ต้องไปขอหรอกทำมันก็ได้อยู่แล้วเช่นใส่บาตร ท, ทาบุญใส่บาตรไม่ไม่ทำบาสนี้ก็ได้ไปสวรรค์แล้วเป็นเทวดาทันทีแลวเนี่ยอยว่านีา้ญาโยมาตอนนี้ก็เป็นเทวดากันเนี่ยตอนนี้ได้ทําแ ต, แต่อาจจะเป็นเทวดาชั่วคราวเดี๋ยวพอออกไปข้าง น, นอกกายลา ย, ลาย เ, ปเป็นเป็ดขึ้นมาก็ไนดะ้ <c oughs> เดี๋ยวเห็นขนมนมเนยอยากขึ้นมา แล้วก็ไปขโมยของเขามากินนี้ก็กลายเป็นเปรตไปกลายเป็นสูนา่าแปลนั่นเป็นการกระทําของเรามันมีผลในตัวแล้วเราไม่ต้องมาจบมาเวลาเขาจกเขาทํายังไงถามจริงอะเราก็ไม่รู้เนะ mm hmm. ี่ยเยี่ยมแม้ตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยใส่บาดเพราะตอนที่เป็นคาราวานเราทางบ้านเขาไม่ได้เป็นพุทธ เ, เขาก็เป็นแบบไม่มีาศาสนาเขาก็ไม่เคยเข้าวัดเขาก็ไม่เคยทําบุญเลย ก็อะไรไม่รู้อะารคนเขาจบก็จบอะไรกันนะา ม, ากมั้งศาสนาอาจรย์ไมนไดจบนะวัฒนธรรมอ๋อมันไม่มันถึงไม่เกี่ยวว่าจบไม่จบมันเกี่ยวว่าทำหรือไม่ทำงอย่าไปขอนะขอมันขอให้พเจ้ามีปัญญาขอให้พระเจ้ า, เ, า, เ, าเก่งกาจงั้นนะอย่าไปขอเลยไม่ได้หรอกอยากมีปัญญาก็ต้องศึกษาเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมานี้ หาความรู้ก็ต้องศึกษาก็จะมีปัญญาทํำไมคนถึงต้องไปโรงเรียนกันก็ไปเรียนหนังสือเพื่อให้เกิดปัญญากันแต่ว่าปัญญาเป็นปัญญาทางโลกแค่นั้นเองยังไม่เป็นปัญญาทางธรรมถ้าอยากจะได้ปัญญาทางธรรมก็ต้องมาบวชมาเรียนพวกที่มาบวชมาเรียนนี้จะได้ปัญญาทางธรรมที่ดีกว่าปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกไม่สามารถดับความทุกข์ได้ แต่ปัญญาทางธรรมนี่ดับได้อตอนตอนโยมเป็นเด็กๆที่โรงเรียนรเรียนเดียวกันรเรียนแคสเล็กนี่นะฮะออพอพอจะสอบนี่นะฮะ อ, อขอทานคุณยายขอทานตามบอร์ดหน้าประตูโรงเรียนนี่นะโอ้โหขันเนี่ยเต็มไปได้เสร็จสตะกั่งเพราะว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะจบในใจ ขอให้เรียนเก่งๆขอให้สอบได้ที่หที่หนึ่ ง, งสามคต่อปีนะอืเป็นถังเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสายพันแล้วมันได้ที่หนึ่งกันทุกคนหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ยังไพิสูจน์มาแล้วเนี่ยแล้วขอบางอย่างถึงง่แม้ว่าเราจะทําไงมันก็ได้ที่หนึ่งไม่ได้ทุกคนเพราะที่หนึ่งมันมีที่เดียวอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาที่กันแนละ้วก็ดูเกรดถ้าอย่างนี้ได้กันเหมือนกันได้ ได้สี่จุดเหมือนกันบางทีช้นนึ่งมีเด็กสี่จุดต้องยี่สิบสามสิบคนนี้ก็มีถ้าไปจัดลำดับเนี๋ยว่าสี่จุดคนที่สามสิบก็มีก็มีเด็กคนหนึ่งเราถามว่าได้เกรดเท่าไหร่ก็สามจุดแปดแล้วได้ที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าขาบอกโอ้โหสามจุดแปดยี่สิบเก้าคิดดูเราคิดดูที่ที่เหนือกันนั้นมันเท่าไหร่ใช่ไหมของบางอย่างมันถึงว่า จะทำางมันก็ไม่ได้เพราะตามหลักความเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้กาเรเรียงําดัดมันก็ต้องมีหนึ่งเดียวที่หนึ่งก็ที่หนึ่งเดียวนอกจากก็จะตั้งข้อตั้งเหตุผลว่าเอาถ้าคะแนนเกตเท่านี้ให้เป็นที่หนึ่งหมวดนี้ก็ได้ชั้นหนึ่งก็จจะมีที่หนึ่งหลายหายคนเลยมียี่สิบคนก็ได้แต่นี่พูดนี้เ พ, พืดให้ให้เข้าใจว่า อ, อการจะได้ไรายนี้เกิดจากเหตุคือการกระทําของเราเอ ไม่ได้เกิดจากการของั้นอย่าไปขอเลยถ้าขอได้วอนนี้ก็เป็นนายกกันทุกคนเนละ้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนแนละ้อ่าว่ามาคำถามจากคุณสัญญาตอนบวชเมื่อปี40นั่งสมาธิได้ดีมากเข้าอัปปนาสมาธิกายดับลมหายใจดับหมดเหลือแต่ โอภาษ ส, สว่างเย็นเข้าออกทุกวันชำนานมากแต่เวลาบวชน้อยสึกออกมาสมาธิก็เสื่อมเริ่มมาปฏิบัติใหม่สัก1ิปีมานี้มสมาธิได้แค่จิตสงบนิวรดับแต่ลมหายใจบางทีก็แผ่วๆไม่ถึงอัปปนาแต่ก็เจริญปัญญาพิจารณากายเป็นหลักแต่ปัญญามันไม่คมพอและจิตก็ไม่ค่อยประพัสสอน พระอาจารย์มีอะไรแนะนําใหมครับเรื่องให้จิตรวมและปัญญาคมขึ้นครับก็ต้องทําให้มากๆทําทั้งวันทั้งคืนทําำยังน้อยไปอยู่ต้องทําตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นะพระพุทธเจ้าสอนให้พระนอนวันละสี่ชั่วโมงนอกนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ต้องให้เจริญสติหรือนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาสลับกันไปถ้าทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนี้มันจิตมันก็จะรวม เต็มที่ล้วปัญญาก็จะแหลมคมเห็นอะไรก็ตัดได้อยากได้อะไรก็ตัดได้มันจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรแต่ต้องทำอย่างตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะคู่ต่อสู้ของเรามันท ำ, ท ำ, ทำมันทำตลอดเวลารู้เปล่าพอเราเตืบโขึาา้นมากิเลสมันออกมันก้าออกก่อนแล้วมันยับเราแล้วมันเพาะ เวลาตื่นขึ้นมาก็เหมือนเราขึ้นเวทีโชควยแนละ้วพอเราขึ้นเวทีปั้มมันต่อยเราก่อนลนะ้วอยากกินนู่นกินนี่้วอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาแนละ้วนะเราก็ต้องสู้มันพอตื่นขึ้นมาก็ต้องพุทโทก่อนแนละ้วอย่าปล่อยให้มันอยากอย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางความอยากหยุดมันพุโทโธรหรือใช้ปัญญาก็ได้มันทุกข์อยากก็มันทุกข์ได้มาแล้วมันทุกข์อ๋มันอย่างนี้ ต้องทำตลอดเวลาที่เราไม่หลับเนี่ยทำสลับกันสติบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมของการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับการเจริญสติก็สติไปเรื่อยถ้าอยู่ในระดับการเจริญปัญญาก็พิจารณาตายรักไปเรื่อยถ้าอยู่ในระดับนั่งสมาธิก็นั่งบ่อยๆนั่งนานๆเ น, น, นี่ยมันแล้วแต่ การปฏิบัติของเรามันต้องมีทั้งศีลมีสมาธิมีปัญญามันถึงจะครบบริบูรณ์แล้วมันก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ใจของเราจะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปคำถามจากคุณกันสุดท้ายของการปฏิบัติคือแยกผู้รู้ออกจากกายกับจิตใช่หรือไม่ครับ ไม่หรอกสุดท้ายของการปฏิบัติก็คือดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากถ้าแยก ก, กายกับจิตได้พอมันมารวมกันเดี๋ยวเกิดความอยากขึ้นมามันก็ทุกข์อีกเวลานั่งสมาธิมันก็แยกกันเวลานั้นเร า, าพักจิตเราจิตมันก็แยกออกจากร่างกายแต่การแยกกันนี้ไม่ได้ทําให้กิเลสตายกิเลสมัน หยุดทำงานเพราะตอนนั้นจิตไม่ทำงานมันก็เลยทำงานไม่ได้พอมันมารวมกันพอออกจากสมาธิมากายกับจิตก็รวมกันจิตก็สั่งให้ร่างกายไปหาหนูน่นหานี่มาแล้วเนน้นถึงต้องมาใช้ปัญญา <c oughs> สอนใจว่าอย่าไปไปเหมือนกับไปเสพยาเสพติดอย่าเป็นอย่าเป็นคนติดยาเสพติดติดรูปเสียงกลิ่นรสกันใช่ไหม เดี๋ปิดทีวีดูแล้วเดี๋ยวเปิดไอ้นั่นฟังแล้วเ๋ยเปิดตู้เย็นหาอะไรกินกันแล้วติดเหมือนยาเสพติดพอไม่ได้เปิดไม่ได้กินเป็นไงทุกไหมหมูติดลาคาญใจไหมอันนี้เลิกกาแฟได้ยังยังไม่ไเลิกไม่ตอบไม่ได้ถาม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ปัญญามันก็หลอกให้เราไปดื่มกาแฟลนะเ <Okay. S 1> นื้อแสดงว่าไม่ใช้ปัญญาไม่วิปัสนาเอาวิปัสนามันต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไปไดทีวีก็ไม่ดูเ <c oughs> ที่ยวก็ไม่เที่ยวออกไปแฟงก็ไม่นอนด้วยท่องเลิกหมดเลยของเมืองนี้มันเหมือนยาเสพติด เสพแล้วมันต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพแล้วรู้สึกเหงาไหมปวดหงิดไหมน้าคานไมอ่าเลิกแต่ถ้าเลิกมันแล้วต่อไปมันจะเฉยๆคนที่ไม่ติดยาก็เดือดร้อนไะเวลาไม่มียาเสพติดให้เขาเสพเขาไม่เดือดร้อนนะคนที่ไม่ติดสุราก็เดือดร้อนไหมคนไม่ติดบุหรี่ก็เดือดร้อนไหมคนไม่ติดกาแฟก็เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนะมีกาแฟแล้วไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดร้อนไม่อยาก คนที่ไม่สู่บริเวณนะี้บางท่าไม่สู่ก็ไม่อยากจะสู่สู่เข้าไปนะขมเข้าไปแล้วก็ถ้าดูดเข้าไปก็ต้องไอแคกๆก่ๆออกมาใช่ไหมเล่านี้ใครอยากจะกินมันขมจะตายนะถ้าคนที่ไม่กินเล่ามันให้เข้ากินก็ไม่เอาหรอกงั้นขอให้มองทุกอย่างที่เราทํานี่เป็นเหมือนการติดยาเสพติดควรจะเลิกให้หมดเลย กินอะไรก็ต้องกินแบบกินยากินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อให้เรามีความสุขกินข้าวก็กินแบบกินยาอาหารอะไรก็ได้อาหารที่มันกินแล้วไม่ท้องไม่เสียกินแล้วให้ท้องอิ่มได้ดับความหิวได้ก็กินเข้าไปอย่าไปจู้จี้จุกจิกว่าจะต้องกินอาหารอย่างนั้นกินอาหารอย่างนี้แล้วแต่ใครก็จะทําอะไรไม่ให้กินก็กินไปตามนิตามเกิด ไปรานอาหารก็เวลาเด็กเสิร์ฟมาถามพี่จะกินอะไรอะไรก็ได้เว้ยเอามาสักสองสามอย่างสั่งลองสั่งอย่างนั้นดูเนี่ยกินแบบนั้นกินแบบกินยาไม่ได้กินด้วยความอยากกินถ้าใจไม่มีความอยากไม่กินได้ก็เป็นพระนี่ครัเป็นพระมันก็ต้องกินตามที่โยมใส่ให้นะโยมอยากใช้พระกินอะไรโยมก็ใส่อาหารลงไปพระก็กินไปตามที่โยมจัดให้ วันนี้กินอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะ ก, กินอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินไปตามตา ม, นะตามีตามเกิดกินไปตามมีตามเกิดทุกวันยังน่ามันเฉยเฉยมันไม่รู้สึกอะไรนะกินได้ทั้งนั้นพอกินวันละมื้อนี่มันหิวเวลาถึงเวลากินอะไรก็อร่อยไม่หมดถ้ า, าวกปล่ายังอร่อยเลยไม่เชื่อลองลองหากินวันละมื้อดูเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงทิ้งได้กินอีกครั้งหนึ่งรอบแล้วยี่บสี่ชั่วโมง พอถึงเวลานั้นข้าวคุ้งน้ําปลาก็อร่อยกินได้สบายเลยแต่ถ้ากินทุกสามชั่วโมงสีชั่วโมงนี่มันถึงกินไม่ลงเลยต้องเบื่ออาหารถ้ามันจะไม่เบื่อมันกินมากจนก็มันก็เบื่อสลถ้ากินนานๆกินหอนไม่เบื่อหรอกนี่เล่นกินวันละสามสี่มือมันก็เบื่อเลยถ้ามันเบื่อก็อยากินถมันต้องไปบังคับมันกินทำไมแสดงว่าร่างกายมันไม่กินมันไม่อยากกินอยู่แล้ว ใจมันยังอยากอ ย, กอยู่ใจมันติดอาหารมันติดยาเสพติด mm hmm. นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาสอนใจเวลาอยากระ ว, ว่าจะทําทําแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วก็เป็นปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดต้องหากินอยู่เรื่อยๆแล้วกินมากๆขึ้นไปเดี๋ยวก็ร่างกายก็ก็อ้วนเกินไปน้ําหนักเกินเดี๋ยวก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน รูปร่างหน้าตาก็หายไปกลายเป็นตุ่มไปดูโทษของมันแล้วเราจะได้ไม่ทำมันเราไม่ชอบคิดกันเราชอบทำตามความอยากกันทำตามอารมณ์พออยากอะไรนละ้ไม่สนใจแล้วผลอะไรจะตามมาขอให้ได้ทาตามความอยากก่อนนะแล้วพอผลเกิดมาทีหลังก็ร้องห h o ร้องไห้ทรมานใจ นี่คือปัญหาของพวเราไม่มีปัญญากันไม่มีปัญญามาหยุดความอยากกันเราก็เลยเป็นธาตของความอยากต้องรับใช้ความอยากไปอีกหลายหลายล้านชาติเนี่ยถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็พาเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ทาอย่างนี้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บตายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาทุกกับปัญหาต่างๆอุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่วุ่นวายกับอะไรเราไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้ใจไม่ต้องมีร่างกายใจไม่ต้องมาเกิดใจไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรใจมีความสุขด้วยการอยู่เฉยๆได้ถ้าใจสงบถ้าควบคุมความคิดได้หยุดให้มันคิดหยุดหยุดความคิดม้มันคิดไปทางความอยากได้เรื่องปัญหาก็จบ าคำ ถ, ถามจากคุณบอยการนั่งสมาธิอย่างไรให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องครับออนั่งสมาธิไม่เกิดปัญญานั่งสมาธิก็ต้องเกิดสมาธิสยถ้าอยากจะเกิดปัญญาต้องนั่งวิปัสสนานมันคนละขั้นกัน <c oughs> นั่งสมาธิก็คือนั่งให้ใจสงบ <c oughs> พุโทโธพุโทโธเนี่ยจะทำให้ใจสงบ หรือ ด, ดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้คิดอะไรแล้วเดี๋ยวใจก็สงบพอสงบก็เรียกว่าสมาธิได้แค่นี้นั่งสมาธิก็ได้แค่นี้ถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ต้องเปลี่ยนเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องคิดคิดไปในทางความเป็นจริงตอนนี้เราไม่คิดไปในทางความเป็นจริงกันเราคิดไปในทางความหลงกันคิดว่ามีนั่นมีนี่แล้วจะมีความสุขอันนี้เป็นความหลง เพราะเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่เราได้มานี้มันที่ให้ความสุขกับเรานี่เดี๋ยวมันต้องจากเราไปเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไปเสื่อมไปของอะไรซื้อมาใหม่ๆ ม, มันดีไปหมดใช่ไหมพอใช้ไปใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันเก่าลงมันก็เสียพอเสียแล้วมันก็ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาแล้วเสียทีวีเสียนี่ยสุขไม่นั่งดูทีวีเสียได้ไหมม อ, อมือถือเสียอมือถือเสียแฟนเสียยิ่งแฟนเสียสยิย่งไปใหญ่เลย มันต้องเสียหมดทุกอย่างให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ว่าไม่เอาดีกว่ามานั่งสมาธิดีกว่าสมาธิไม่มีวันเสียไม่มีวันหมดดีตรงนี้เรามาหาความสุขจากความสงบกันดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลยมันจะต้องทําให้เราทุกข์เพราะมันจะต้องเสื่อมจะต้องจากเราไปโยมจะถามอะไรนะ ก็ค่อนข้างจะยาวนิดนะคะเพราะว่าโยมตัวเองนี่ไม่ค่อยจะเข้าใจคําถามหรือคําตอบอะไรสักเท่าไหร่คือแปลว่าถ้าเราเป็นถ้วยที่ไม่แต่มไม่แต่มหมายความว่าเหมือนกับเป็นอะไรเป็นมนุษย์ที่พร่องอยู่นะคะเมื่อเป็นมนุษย์ที่พร่องอยู่เนี่ยความสามารถในการให้เนี่ยมันก็จะไม่เยอะอเพราะประเมินเพราะ เหมือนเสมือนกับเป็นมนุษย์ที่ปัญญาน้อยอใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยคนทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอา่าสมมุติว่าเป็นพระเป็นพระเท่าที่ยอมทราบก็คือพอเขาปฏิบัติไปบอกว่าให้เบือบ่อเบือบ่อเบือบ่อเบื่อเบื่อเบื่อถ้าอย่างนั้นฉันไปฆ่าตัวตายดีกว่าเบื่ไม่ได้เบื่อแบบนั้นไม่ได้เบื่อแบบนั้นเจ้าคะ่ะทีนี้ทีนี้ คับพอเข้าใจนะคะแต่ว่ายงเรบกำลังพูดระหว่างความเบื่อที่อยากฆ่าตัวตายกับความพร่องที่เหมือนถ้วยที่ไม่เต็มแก้วอย่างเช่นถ้าพูดว่าเทียบกับศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์บอกว่า if you are a cup full of love then you can give a lot of love uh huh. but if you are an empty cup you cannot give anything to anyone uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. ทีนี้ ทีนี้ตรงนี้มันจะต้องมีความพอดีเพราะมนุษย์มนุษย์หลายแบบหลาย ช, ชั้นหรือว่าหลายหลายกระบวนการของสติปัญญานะคะก็เขาก็ต้องต้องมีเครื่องอยู่ อ, อันนี้อันนี้ยมยมมีความรู้สึกด้วยตัวเองนะคะมเมื่อตอนไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยตอนก็อยู่ไม่ได้ทีนี้การที่เกาะอยู่กับการอยู่เนี่ยจริงๆมันสําหรับที่ยอมเห็นนะคะคือต้องไปคว้ากิเลส อย่างเช่นผู้หญิงโอ้ยออกไปแต่งตัวสักหน่อยซื้อเสื้อผ้าสวยๆโอ้ยวันนี้ล้านล้มีความสุขแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปวัดใหม่ค่อย ป, ปฏิบัติเออเมื่อมันเต็มกระเป๋าแล้ว อ, ะอ่ะ ม, มันวางได้แต่ถ้ามันไม่ไม่เคยมีเคยเป็นเคยได้ ม, มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปวางท่านจะพูดยังไงคะเรื่องนี้นอันนี้เป็นเรื่องของความหนง ความเข้าใจผิดความเต็มของใจความเต็มของใจเรานี้<ข>ต้องต้องไม่มีอะไรมันถึงจะเต็มเท่านนี้มันไม่เต็มเข้าใจไหมอีนี้มนุษย์มันก็เต็มไปด้วยความหลงใช่ไหมได้ก็ทางมาสายคําสอนของคนที่ไม่หลงเลยมาม า, มาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่เราอยากจะให้เราใจใจเราเต็มด้วยความรักพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราสละของต่างๆไป แล้วเราก็จะมีความรักเพิ่มมากขึ้นไปทีนี้รักที่เป็นเมตตาหวนๆมันได้ไหมเนี่ยแหลรักที่ความเมตตาไงมีอะไรก็สละให้คนอื่นไปสละชีวิตสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเนี่ยถ้าสละได้ก็<ม>ก็จะมีแต่ความรักอยู่ในตัวเต็ไมไปหมดแล้วแต่เขาก็ต้องมาเต็มแก้วแล้วะค่ะไม่ก็มาสร้างมันใหม่ตอนนี้ยังไม่เต็มแก้วก็มาสร้างมันได้ ก็ต้องสร้างก็เนี่ยให้มาฝึกสติเพื่อสร้างสร้างความรักให้มันเต็มแก้วเวลาใจสงบแล้วใ จ, ใจจะมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตาแต่ถ้าไม่สงบมันมีแต่กิเลสมันมีแต่ความอยากได้มันก็เมตตาไม่ออกเดนเนียที่มาที่พระเจ้าสอนนี่สอนให้เรามาสร้างสร้างสิ่งที่เราไม่มีคือความสงบถ้าเรามีความสงบมีความอิ่มแล้วเราจะไม่อยากได้อะไร เราไม่ต้องมีอะไระเราก็มีอะไรเราก็ยกให้คนอื่นได้หมดเลยนั่นแหละตอนนี้เราไม่มีแสงนั้นถึงให้แสงสอนให้มาหัดนั่งสมาธิกันคืออย่างโยมอุปมาอุปไมยหยาบๆแลคะ่ะวันนี้ไปซื้อเสื้อผ้ามาได้ห้าตัวหันไปอยู่ได้สามเดือนอมอาไปแจกได้เ อ, อสักประเดี๋ยวกิเลสหายไปก็คงจะไปปฏิบัติธรรมปล่อวางอุบเบกขาได้ทําเป็น ถ้าจะปล่อยวางเร็วก็ซื้อมาแล้วก็ไปให้ข้อเลยไม่ต้องรอสามเดือนคนงะต้องรอ <laughs> <laughs> ถ้ารอก็ยังเ้็นทีเนยดีคอรอ้าก็ทราบอย่างนัแค่นี้ถ้าใจเราไม่สงบมันก็เลยโหยมันหิวมันอยากทั้งทั้งที่เรามีเหลือเฟืออยู่แล้วแต่ของที่เรามีอยู่มันไม่มีความหมายแล้วมันอยากจะได้ของใหม่ แต่ถ้าเราทําใจสงบนี่เราจะไม่โหยไม่หิวรเราจะอยากจะให้ของที่เรามีอยู่ให้มันเหลือน้อยๆให้เหลือเท่าที่จาเป็นจะใช้เท่านั้นเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมมีเยอะก็ไ ม, ไม่มันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดถ้าเรารถ้าเราพบกับความสุขทางใจเราเราจะรู้ว่ามีความสงบยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีรรเราจะหันมาให้ความสนใจกับการสร้างความสงบดีกว่า ดีกว่าการที่ไปหาความสุขจากเสื้อผ้าข้าวของต่างๆหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมหามาตั้งแต่เด็กก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่แนละ้วใช่ไหมค่ะจะสแล้วนั่นสิก็ยังหาอยู่ใช่ไหมใช่แปดสิบะะะนะยังดูสาวนาะที่ทนานนย่ ะ, ะนนน ย, ม า, ยมาจากที่ไหนได้คำตอบ มาจากที่ไหนยศหรอคะออยมคนประเทศไทยก็มาเทศายแต่อยู่ต่างประเทศอยู่ด้านนอกเยอะแต่ว่าหลังๆก็มาอยู่เมืมองไทยได้มามาที่นี่ได้ยงไงคนนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขามาที่นี่ประจะะําค่ะออกไปแล้วเขาแนะนํามาเลยเก็พามาค่ะ อ, อแต่โยมก็เข้าวัดปฏิบัติอ่า เคยเข้าไปอยู่ น, น, นานๆเดนเดือ น, น, นแต่นาทีนี้ก็รับรู้แล้วว่าความสงบคือใช่แล้วก็การที่มีครูบาอาจารย์มันก็ช่วยเยอะในเมื่อเราสะดุด ก, กับคําถา ม, มแต่จริงๆแล้วก็อยู่กับสติรื่นร้อนอันนี้คื อ, อคือเชื่อใช่นั้นแหละนะคะก็สติเป็นตัวแรกแต่ตัวที่สอก็คือปัญญาคล้วค่ะคือ ถ้าทําสมาธิได้มีสติปัญญาย่อมเกิดปัญญาต้องคิดทางปัญญามันถึงจะเกิดมันไม่เกิดขึ้นเองก็สมาธิเยอะมันก็จำเป็นช่วยในการเกิดปัญญา <c oughs> ใช่ไหมล่ะคะมันช่วยทำให้เราคิดไปในทางปัญญาได้ง่ายขึ้นเพราะเวลาจิตสงบกิเลสมันจะอ่อนกำลังลง <c oughs> มันก็จะไม่ให้เราไปคิดในทางกิเลสได้ แต่ปัญญาเราต้องบงังคับให้มันคิดไหมแล้วมันไม่ไปปัญญาก็ต้องใช้สมาธิลึกแล้วก็กลับมาวิปัสสนาแล้วก็กลับไปสมาธิแล้วก็วิปัสสนาแก็สลับกัน <c oughs> เพราะว่าเวลาปัญญาจะใช้ปัญญามันก็จะหมดกำลังได้ <c oughs> พอหมดกำลังก็ต้องไปชาร์จในสมาธิสลับกันแต่คนที่ทาผิดพลาดในชีวิตเยอะพูดถึงมันก็มอเตอร์ก็แรงนะที่จะปฏิบัติธรรม ใช่เพราะว่ามันเห็นมันเห็นทุกข์เลยเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นว่าไปผิดทางอคนเราต้องทุกข์ก่อนมันถึงจะรู้ว่าทุกข์เป็นยังไงอย่างเด็กเนี่ยบอกมันทุกข์มันไม่รู้หรอกพ่าไปไปมีแฟนก่อนเรียนจบนี่มันทุกข์นะมันก็ไม่เชื่อหรอกมันก็จะไปมีแฟนของมันแต่เดี๋ยวพอมันไปมีอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้ว่าทุกข์เลยไม่จบไล้เลย แต่ ว, ว่าเรียนว่าตัวโยมยังเกาะอยู่กับเครื่องอยู่เยอะนะคะเครื่องอยู่ก็คือโมหะและทเทเออลอรู้ยงิแช่นนั้นค่ะแต่ว่ารู้ว่าถ้าเราเอาเข้ามาใส่กระเป๋าเต็มแล้วเดี๋ยวก็เบือ่ออันนั้นก็เข้าใจนมันไม่เบื่อจริงมันเบื่อเดียวเดียว <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ไปหาใหม่เดี๋ยวพอเห็นของใหม่มันก็มันก็มีรายละเอียดขึ้นไปอ ต้องทำใจสงบอย่างเดียวเท่านั้นนะมันถึงจะเบื่อจริงๆถ้าได้ความสงบแล้วมันจะเบื่อของทางทางโลกได้ถ้าไม่ันมันก็เบื่อแบบหลอกๆเบื่อๆอยากๆเวลามีเยอะมันก็เบื่อแล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งมันเห็นของใหม่ขึ้นมามันก็อยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้สมาธิกับวิปัสสนาอ่าใช่ต้องใช้สติก่อนสตินำสมาธิ พอมีสติก็จะทำให้มีสมาธิพอมีสมาธิเราก็จะใช้ปัญญาปล่อยวางได้เพราะว่าเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราก็ปล่อยแฟนได้ปล่อเสื้อผ้าได้ปล่อยเข้าของอะไรต่างๆได้ไม่ต้องมีเขาเราก็มีความสุขได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขจากสมาธิเราก็ปล่อยเขาไม่ได้ถึงวมรู้ว่าเป็นทุกข์แล้วก็ยังยังไม่ปล่อย เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธินี้บางทีมันก็ต้องบีบบังคับตนเองด้วยใช่มครัต้องบังคับถ้าไม่บังคับมันไม่มันไม่เป็นสมาธิมันไม่ได้ทําได้เองโดยอัตโนมัติเหมือนกับว่าคล้ายๆภาษาฝรั่งที่เขาเรียกว่าเบิร์นเอาือกปากเพราะว่าถ้าไปบีบมันแรงๆเดี๋ยวมันก็บอกว่าไม่เอาแล้วเออเราก็อย่าไปบีบมันมากนะให้มันพอประมาณกําลังของมันค่อยๆบีบมันเพิ่มเพขึ้นไปทีละเล็กเน้อย อตอนต้นก็นั่งสิบนาทีต่อไปก็ยี่สิบนาทีถ้ามีสติดีขึ้นเท่าไหร่มันก็จะนั่งได้นานขึ้นมันจะไม่รู้สึกอึดอัดที่ที่นั่งใหม่ๆอึดอัดเพราะเรามีสติน้อยพอนั่งแล้วมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็อึดอัดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นนั่งแล้วมันไม่คิดอะไรมันก็ไม่รู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกสบายของโยนตอนไปบีบคันมันทําได้ถึงสองชั่วโมงแต่พอตอนหลัง ก็รู้ว่าทำได้สักชั่วโมงโดยไม่ยากาแต่ด้วยอาจจะเป็นความเฉียดค้านหรือว่าความสมาธิไม่แน่แน่ก็ทำได้แค่เราอันละครั้งละครึ่งชั่วโมงอา่าก็ทำบ่อยๆเลยทำอันละครั้งทำบ่อยๆ อ, ยอา่อออาทำสี่ครั้งมันก็ได้สองชั่วโมง <laughs> อ่ะใ <laughs> ไ, ไหมอาทำสมาธิครึ่งชั่วโมงออกมาทำปัญญาครึ่งชั่วโมงกลับไปทำสมาธิครึ่งชั่วโมงทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ มันสะสมได้มันไม่จําเป็นจะต้องนั่งพวดเดียวสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงอืทําสะสมไปเรื่อยๆมาคนเดียวแล้วหรือไม่มากับน้องอะค่ะที่เขาพามาที่นี่เขาไปแล้วเหรอะชอบโทรมาถามชวนมาวัดยาแลมีรถมาหรือเปล่าเขาอยู่แถวนี้เขาจอดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะมาปล่อยไว้ที่นี่นะไม่ค่ะเขามาแล้วแล้วก็ น่เดี๋ยว เ, เ, เอาเอาของแอนนาเลยดีไหมตอนนี้เนี่ยลงบ้านมีไหมมีเยอะเค่ะแล้วมีเย อ, เ อ, เ, อ, เ, อ, เ, อเอาสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็แล้วกันขอบพระคุณอ่าแล้วจบคำถามจากคุณวัชรินแต่ก่อนเคยปฏิบัติธรรมจิตใจก็เป็นสมาธิง่ายสงบง่าย เราไม่ได้ปฏิบัติมานานแล้วจะทําให้สมาธิกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับมันจะเสื่อมไปเลยไหมครับอ๋อมันมันอยู่ที่เหตุที่ทําให้มันจเจริญหรือเสื่อมคือสติถ้าเราไม่มีสติเราก็สร้างสติขึ้นมาใหม่ได้เฝืกดึงใจไม่ให้ไปคิดกับเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเลยจะให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้เวีากายากตาสติ ถ้าดูร่างกายถ้าพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าดูลมหายใจก็เรียกว่าอนาปนาสติให้มีอะไรผูกใจไว้อย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่ยเปื่อยถล้าเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้คำถามจากคุณหนูหญิงเพื่อนมีลูกชายเรียนใกล้จบมหาวิทยาลัยแล้วแต่อยู่ดีๆก็ไม่เรียนต่อออกกลางคลัน พ่อกับแม่ก็เป็นทุกข์ไม่อยากบังคับกดดันลูกกลัวลูกคิดสั้นเพราะอาจารย์มีสิ่งใดแนะนำไหมคะก็คิดว่าเป็นเป็นกรรมของเขาแล้วกันเขาคงจะไม่ชอบทางนี้เขาคงไม่ชอบเรียนเขาชอบเล่นชอบเที่ยวก็เป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของเขาเองเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เอาไปทุกข์เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร คำถามจากคุณเสียจิตที่โลดโผนต้องแก้อย่างไรครับก็ใช้สตินี่แหละฝึกสติไปเรื่อยๆถ้ามีสติมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบมันก็จะไม่โลดโผนได้คำถามจากคุณอนงนะการฟังธรรมจะได้สมาธิหรือสติเจ้าคะได้ทั้ง2อย่างการฟังธรรมนี้ถ้าฟังไปโดยที่เราไม่ได้คิดตามเรา เราคิดไม่ทันไม่เข้าใจแต่อาศัยฟังแต่เสียงไปเรื่อยๆไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบได้ในระดับหนึ่นคนงคงจะไม่สงบแบบเต็มเต็มที่เป็นอัปปนาแต่มันก็จะไม่ฟุ้งซ่านเพราะมีธรรมกล่องใจอยู่แต่ถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจความหมายของธรรมที่เราฟังก็ได้ปัญญา<ๆ>ก็มีฟังด้วยสวิธีบางทีปัญญาเราไม่ทันฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็เลยฟังแต่เสียงไปเรื่อยๆ ไม่ไปคิดเรื่องอะไรใจก็สงบไม่ฟุง้งซ่านแต่ไม่ถึงกับรวมถ้าจะรวมนี้ต้องนั่งเฉยเฉยดูลมหายใจการฟังธรรมนี้ก็สงบในระดับหนึ่งแต่คงไม่สงบไ ม, ไม่สงบเต็มที่หรือไม่แน่สำหรับคนบางคนอาจจะสงบเต็มที่ก็ได้เขาไม่ได้พิจิตอะไรเลยอยู่กับเสียงธรรมนีงเดียวแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของธรรมที่แสดง เข้าใจถึงเหตุถึงผลที่แสดงเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาหรือว่าอ๋ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองความอยากของเราจะหยุดไปได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปอันนี้ก็เป็นปัญญาคาถามจากคุณพานุวัต อยากให้หลวงพ่อช่วยเล่าความรู้สึกเมื่อครั้งหลวงพ่อมีความพร้อมที่จะลาจากหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านป่าครับ อ, อ๋อไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกพอดีมีเหตเออุทางบ้านส่งข่าวมาว่าพ่อไม่สบายเป็นเร็งออก็เลยขอลาท่านมาดูแลมามาอยู่นะใกล้พ่อหน่อยออก็มีโอกาสก็เลยขอท่านออกมาท่า น, น เราอยู่อยู่ก็ได้มาก็ได้ความรู้สึกมันเท่ากันถ้าไม่มีเหตุเราคงจะไม่ได้ออกมาแต่ถ้ามีเหตุแล้วก็ออกมาออกมาก็เลยก็เลยอยู่ติดต่อต่อเนื่องมาก็เลยไม่ได้กลับไปมาอยู่ก็อยู่ได้หกอยู่กับพอ่อได้ประมาณสักหกเจ็ดเดือนมั้งแกก็เสียเสียเจ็ดแปดเดือน เียแล้วเราก็เลยอยู่ต่ออยู่จำพรรษาต่อตอนนช่วงนั้นไปพักอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ในวัทยาก็เลยจำพรรษาที่นั่นหนึ่งพรรษาพอออกพรรษารับกรถินเสร็จก็มาอยู่ที่วัดญาณต่อปลายปีสองเจก็มาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่จนถึงบัดนี้นี่ห้าเก้าแล้วก็สามสิบสองปีก็ไม่ได้ไปไหนใครนั่งเฉยๆได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปไหนแล้ว ไปก็เท่านั้นไปแล้วก็ต้องกลับมาแล้วไปทําไมถ้าไปแล้วไม่ต้องไม่กลับสิถ้าไปแล้วกลับอย่าไปเหนื่อยเปล่าใช่ไหมได้อะไรบ้างไปแล้วกลับมาได้แล้วไปเยี่ยมลูกกลับมาก็ได้อะไรบ้างไปนั่งเครื่องบินไปอังกฤษกลับมาใช <c oughs> ่ไหมจะอยู่เฉยสบายกว่าอะมีอะไรคําถามจากคุณเซญาจิตโลดผลกับจิตมีอภิญญาต่างกันไหมครับ ความ่าโลดโผนนี่คงหมายถึงจิตที่เวลาสงบแล้วมันไม่นิ่งมันไม่เฉยเฉยมันออกไปรู้เรื่องราวต่างๆท่านจะเรียกมันจิตพวกนี้ว่าโลดผลคือไปเห็นเทวดาไปพบเทวดาไปาไปติดต่อกับผีคนตายได้สิ่งที่ตายได้หรือไปรำลึกชาติได้หรือก็ไปมีอภิญญาก็เหมือนกันจิตที่โลดผลก็เป็นภาษาที่เราพูดแทนว่าอภิญญา บางทีพูดอเพญ ย, ยามันฟังแล้วมันสูงไปก็เลยพูดแบบโนดผลว่ามันเมื่อนผลนถ้าอย่างนลวงตาท่านใช้คำว่าโนดผลหมถึงจิตที่มีความรู้มีความสามารถพิเศษคำถามจากคุณโสพิษพระอาจารย์เคยออกธุดงไหมคะไม่เคยหรอกก็ธุดงในวัดนึงอะคำว่าธุดงนี่แปลว่าถือธุดงเขาวัดไงแต่เราไปคิดว่าคาว่าธุดงก็คือ การเป็นอยู่ในป่าแบบกดเดินไปนู่นเดินมานี่อันนั้นก็เป็นทุดงเหมือนกันแต่แล้วถ้าเรามีป่าอยู่ในวัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปทุดงให้มันเหนื่อยแล้วก็ทุดงในวัดนั่นแหละเดินทุดงเดินจงกรมมันก็เดินทุดงอยู่แล้วคําว่าธุดงนี้คือการถือข้อวัดพิเศษข้อวัดที่จะทำให้กิเลส ต, ตายง่ายขึ้นเช่นอยู่ป่าแทนที่จะอยู่ อยู่วัดนี่ยไปอยู่ป่าที่มันจะสงบกว่าอยู่แบบที่ไม่มีกุฏิเียอยู่แบบโคนอยู่ตามโคนไม้อันนี้ก็เป็นทุดงขวัดแล้วก็ฉันก็ฉันมือเดียวฉันในบาทอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นทุดงขวัดเั้นคาว่าทุดงนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องแบกกฏแบกบาทแล้วก็ไปเดินอยู่ในปา่าอันนั้นก็เป็นทุดงเหมือนกันแต่การที่เราถือข้อทุดงขวัตมันก็เป็นทุดงเหมือนกัน ถ้าเราถือฉันได้ฉันมือเดียวฉันในบาทบินทบาทเป็นวัดนี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุดงควัรองกันอ่ะถามมีกันมถามค่ะคำถามจากคุณจากกฤิเราทำความดีแต่ยังไม่ดีร0อยเปอร์เซนจิตสุดท้ายก่อนตายในชีวิตของชีวิตเรายึดส่วนไหนจะดีที่สุดครับ เรายึดไม่ได้เราถึงเวลาความดีกับความชั่อมันจะมามันจะมายึดจิตของเราเองถ้าความชั่วหรือความไม่ดีมันมีมากกว่าความดีมันความชั่มันก็เอาจิตเราไปก่อนมันก็จะดึงเราไปใช้ไปรับผลในอบายก่อนถ้าความดีมีมากกว่าความชื่อมันก็จะเอาจิตเราไปรับผลทางของความดีก่อนไปสวรรค์ก่อนมันก็แล้วแต่กำลังมันทักไเยอะกันเนี่ย ถ้าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าก็จะลากไปทางนั้นทุกวันที่เราทําบุญทําบาปอยู่เนี้ยมันมันสะสมไว้ไงแล้วพอเวลาตายไปบุญกับบาปนี้มันจะมาดึงดึงจิตไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญกับบาปเท่ากันมันก็ไม่ไปทางใดมันก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เลยถ้าบุญมากกว่ามันก็ไปสวรรค์ก่อนพอบุญเท่ากับบาปมันก็กลับมาเป็นมนุษย์พอบาปมากกว่าบุญมันก็ไปอบายมันก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างเงี้ย ตัง้งแต่จะไปนิพพานนิพพานเราตัดความอยากปั๊บเราก็ไม่ไปเลยมันจะดึงไปทางไหนก็ไม่ไปไม่มีความอยากมันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่ที่นิพพานไปคําถามสุดท้ายจากคุณเง้ะเคยมีคนบอกว่าสวดมนต์ทำให้บรรลุธรรมได้จริงหรอคะก็แล้วแต่สวดยังไงฮะถ้าสวดแล้วเข้าใจความหมายของบทที่สวด ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาเช่นเราสวดบท อ, อ, อนัตตลักษณสุตรเนี่ยท่านสอนว่ารูกเวทนาสัญญาสังขารเวิยนญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเราของเราถ้าเราสวดไปแล้วเราเข้าใจความหมายแล้วเราทําใจให้เราปล่อยวางของที่ไม่ได้เป็นของเราได้เราก็บรรลุได้แต่ถ้าสวดแบบนอกแก้วมันก็ไม่บรรลุสวดแบบไม่เข้าใจความหมายเพระฉะนนมันแล้วแต่สวดแบบไหน ถ้าสวดแล้วเข้าใจความหมายของบทที่เราสดวดเพราะคําบทสวดมนต์สวดหย่านี้จะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราสวดแล้วเราเข้าใจความหมายเราก็เหมือนกับฟังเทศจากฟังธรรมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยพระเจ้านี่ก็เป็นธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้แล้วคนก็จดจำเอาไว้เนี่ยเพราะสูตรต่างๆ่างนี้เป็นคําสอนจริงๆของพระพุทธเจ้านะแล้วพวกลูกศิษย์ลูกหาพระเนยนี่ก็ท่องกันไว้แล้วก็ถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดกันมา จนถึงปัจจุบันนี้ที่เรามีาพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นคำสอนของของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่มีคนแต่งขึ้นมาเองนะเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วพระที่ฟังนี่ก็จากันไว้แล้วก็ก็มาถ่ายทอดกันที่เขาสวดกันสวดกันก็เพื่อที่จะถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้ามากันแต่สมัยนี้เรามาใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าซึ่เราไม่เข้าใจความหมายกันเราก็เลยสวดแบบนอกแก้วไป แก้วจ๋าแก้วจ๋าพอหยิบแก้วให้มันก็โยนทิ้งแมเอาเอาเพชรให้มันมันไม่เอาพอหยิบกล้วยนี่มันความมับเลยพวกเราก็เหมือ น, นกันสวดมนต์กันพอสวดเสร็จพอเจอขนมนมเลยก็ความมับเลยหมนแล้วเหรอมีมาเองค่ะเอาอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันข้สุดายจากสา ม, มเณรเจมถ้าพ่อแม่เราตายจะไปหาพ่อแม่ได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกก็ไปได้ที่ ท, ท, ท่าฝังไว้ก็ไปที่สุสานนะถ้าเผาเอาไปที่เก็บกระดูกอะ่ะก็มีเท่นั้นอะ่ะแต่นั่นไม่ใช่เป็นตัวพ่อตัวแม่หรอกตัวพ่อตัวแม่เป็นดวงวิญญาณไปแล้วเขาก็ไปเกิดใหม่เขาก็ไปอยู่ที่ใหม่ถ้าหน้าพบหน้าถ้าจังหวะดีก็อาจจะได้เจอกันใหม่ก็ได้แต่เราก็อาจจะจํากันไม่ได้แล้วก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นเวลานาน หรือเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปแล้วเวลาพ่อแม่ไปเกิดใหม่เขาก็ได้ร่างร่างกายอันใหม่ถึงแม้ตัวเขาจะเป็นตัวเดิมแต่ร่างกายเขาเป็นตัวใหม่แล้วเวลาเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็ไปเจอเขาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อแม่เราก็ได้นอกจากว่าเรามีอภินยาเราทะลกชาติได้เราดูวิญญาณของเขาได้ว่าอ๋อวิญญาณอันนี้เป็นพ่อแม่ของเรามาในอดีตนี่อันนี้ก็เป็นไปได้ หมดแล้วนะอันนี้ภาคภาษาไทยก็ขอเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะีเพราะว่าตอนนี้จะมีภาคภาษาอังกฤษอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง mm hmm. ถ้าใครอยากจะฟังก็ฟังได้นะ่อยากจะกลับก็กลับได้ mm hmm.